พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าคุณยายตายแล้วฟื้นวันนี้เป็นวันที่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 นึกน้อมเข้ามาหาตัวเองไว้อยู่เสมอเสมอถ้าพวกเรานึกน้อมนึกคิดไว้อยู่เสมอกิเลสภายใ น, ในใจของเราที่จะลุ่มหลง ม, มัวเมาในเรื่องต่างๆเขาคงจะขยานหรือว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาไม่มากก็น้อยอย่างพวกเราจะโลภโลภไปเพื่ออะไรตามไม่จริงเป็นคนขี้ตนี แต่โลภอยากจะได้คนอื่นอันนั้นน่าเกลียดมากแต่ถ้าว่าเราเร า, เ, าเราเป็นคูฎตนีจริงแต่เราไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาเขาก็จะมาเอารัดเอาเปียบเราอันนี้แสดงว่าคนมีธรรมอยู่ในใจก็น่านับถือน่าเลื่อมใสในระดับหนึ่งคือเป็นคนขี้ตนีแต่ก็ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น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 ให้กับชุมชนสังคมมีแต่ห่วงไว้ห่วงไว้ไปเพื่ออะไรโลกไว้เพื่ออะไรอันนี้น่าตำหนิจุดนั้นแต่ถึงยังไงอันนี้มันเป็นอุปนิสัยแต่ละคนบางคนก็อย่างที่ว่านั่นนะ่ะกระเม็ดกระแแม่บางคนก็ใช้ใช้ให้ตนเองมากแต่คนอื่นขี้เหนียวอย่างนี้ก็มี แต่บางคนก็ชอบช่วยเหลือชุมชนสังคมคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยขี้เหนียวขี้เหนียวสตนแับตนเองคือขี้ตนีตหรับตนเองไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าอะไรพอใช้ไปยังไงก็ใช้ไปอย่างนี้อันนี้ก็สบายใจใครสบายใจใเราอย่างที่หลวงพ่อได้เห็นโยมที่ไปไม่นานมาเนี่ย เขาเข้ามากราบ อ, อมากราบหลวงพ่ออายุของเขาคนนั้นป่าเข้าจะเข้าหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วละ่ะผมขาวทั้งหัวละ่ะแต่เขาก็ตัดผมเป็นพยมผู้หญิงนะก็ตัดผมเพียงเพียงเออเพียงหูเลยหูไปทตนเองเพียงคอแล้วนั่นนะตัดผมแบบผม ม, านะผม้าเนี่ยผมขาวใส่ชุดขาวด อ, อมา อ, อ, อยู่ในวัด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 ออกมาจากใจจริงๆคือมีความรู้สึกถ้าไปอยู่ในบ้านมันไม่สบายใจมันออกมาอยู่ในวัดอย่างเนี้ยอยู่ตามลำาํำพังกลางคืนก็มานั่งอย่างวัดหลวงปู่จามก็ไปนั่งเฝ้าหลวงปู่จามนั่งภาวนาสาสี่ห้าหกทุ่มตีหนึ่งตีสองแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็สบายใจทําภาวนาอยู่อย่างเนี้ยสบายใจ ดือดกะกลับไปบ้านก็ไปอยู่วัดไหนก็เนี่ยเอภาวนาสบายใจอืเพราะที่ฉันก่อนหน้านี้ก็อแต่งงานอแต่งงานกับคนทางภาคใต้มีแม่ยากมีผูมีฐานะมีสวนยงสวนยางต่อมาเขามาอยู่ทางจังหวัดการแล้วก็คนอุดรเขาก็พูดแบบคร่าวๆนะไม่ละเอียดมากในครอบครัวแต่ถึงยังไงดิฉันเนี่ย แต่สมัยเป็นเด็กเห็นเด็กไม่มีข้าวจะกินไปบงังฟ้าเห็นหมูกินข้าวไม่มีเงินดิฉันจะเรียกเขามามาแล้วก็เรียกมาร่วมทานอาหารและกระจายค่าอาหารให้เขาและกระจายเงินค่ารถให้เขากลับบ้านท่านดิฉันมีเงินอยู่ในกระเป๋านี่ฉันจะชอบเป็นเด็ ก, ดกลักษณะอย่างนี้ไปเห็นคนป่วยเดินมาเป็นเบาหวานนี่เอาเรีไปหาหมอนะ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 ก็เลยเอามือคว้าคว้าทีหนึ่งก็ไม่ไม่ถึงเพราะบุตรวิทมานงั้นอนะอยากจะได้ดอกไม้นะั่นะนะคงจะเป็นดอกไม้เทวดาหรือพญานาคก็อะไรก็ไม่รู้ล่ะมันลอยมาอีกใกล้ๆก็คว้าไปอีกอย่างแรงเทไงเพื่อจะให้ได้เกาะติดเพื่อจะได้ดอกไม้นั้นมาแต่นี้ตัวเองก็หุดหลุดลงไปจากแพรเลยจุมลงไปในน้ําเลยเทไงตกน้ําพอตกน้ําขึ้นมามันกระดุกกระดุกด้วย เมือนเหมือนมีอะไรดึงลากขาลงไปในน้ำเ eh, อเพราะลากขาด้วยนะั้นรู้สึกว่ามันความรู้สึกของมันวิวคลายความมันหมดลมแลนะ้เนีอตายแล้วว่างานทีนี้มันวิวเว็บแอเพราะนั้นเรื่องความตายี่ฉันดูๆแล้วไม่น่ากลัวนะท่านนะครับู่นะเพราะมันเวลามันจะตายมันวิวเว็บจากนั้นก็หายเงียบไปเลย จะน้าตัวเองก็ขึ้นมันเดินอยู่บนบกเอนะพอมาเดินบนบกมีผู้ชายสองสองสามคนสองคนมาเกาะแขนนะให้มาเกาะแขนแล้วก็ได้เกาะแขนเขาเดินเขาให้เดินพอเดินไปไปผ่านไปเห็นพวกตกนรกเหมือนไปผ่านนรกก่อนนระกพ่ออนะไปเห็นคนตกโอ้โหน่ากลัวมากเลยไปเห็นเห็นคนจะดุ้งเลยไงเนี่ยมองไอ้คนที่สองคนก็เลยตบแขนนะปัก อย่ามองเขาว่าอย่ามองแต่ก็อดมองไม่ได้แต่ก็เหลือๆดูก็เห็นทั้งเดินทั้งนั้นไปด้วยอย่างั้นจากนั้นเขาก็เลยพาขึ้นไปขึ้นไปที่ไหนเดินไปเรื่อยๆไปจนไปถึงไปถึงชั้นนั่นเขาอกอันนี้สวรรค์ชั้นที่สามนะเขาบอกสวรรค์ชั้นที่สามโอ้โหไปเห็นบ้านเมืองของเขาสวยมากนะคนก็สวยมากหอมอีกต่างหากคนทุกคนหอมหมดเล เออเห็นแล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ภาษาเขาใช้เนี่ยใช้ภาษาใจนะท่านอาจารย์ถ้าเรานึกว่าจะจะให้ฉันทำอะไรเนะี่ยนึกหาเนะี่ยคนนี้เขารู้เลยใช่มีอะไรนะเขาจะถามฉันต้องการนั้นต้องการนี้นต้องการอะไรนะเขาจะรู้หมดเลยเราก็รู้จากภาษาใจของเขาอีกนะเลยสวรรค์ใช้ภาษาใจนะเนออี่ยจากนั้นก็ตีฉันไปเห็นต้นไม้ต้นไม้ทองคา อูในบ้านของเดิรย์ในน้ำบ้านของของท่านเขาเฝ้าไว้อยู่ไปเห็นต้นไม้โอ้โหต้นไม้นสวยสวยมากแต่เป็นต้นไม้ลักษณะต้นไม้ทองคําแล้วก็น่ากินมากตุกผลไม้เอาเขาก็ว่ า, า, าไปปิดเอาซิตองการทีดิฉย์ก็ไปปิดไปเบ็ดไปเด็ดนอกหมักไม้เด็ดเท่าไหร่ก็หมุนเท่าไหร่ก็ไม่ขาดนะหมุนไม่ขาดเลยกลับมานั่งเหนื่อยบอกไปปิดให้ดิฉันหน่อยใช่ไหมไม่ใช่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 น้ำไม้พอเจ็บได้อยู่น้ำเขากินน้ำได้ไอะที่แต่ดิฉันเก๊ะถึงแต่ลูกเลยนะลูกสามคนเนละเอ้เขาขอให้ดิฉันกลับไปบ้านก่อนเถินขอรองพวกที่มานั่งเฝ้าอยู่ไอ้พวกที่นายใหญ่ของเขาเนะี่ยเป็นหัวหน้านะอา้าวมันออกไปแล้วมันมันกลับตามหายากนะดิฉันเขาว่าตามหายากกลับขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่ดิฉันเดีมาเอง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 พอลืมตาขึ้นมาก็รู้แต่เขาว่าตายตั้งแต่เมื่อคืนคืนก่อนแล้วก็ผ่านมาทั้งวันแล้วก็ผ่านมาอีกทั้งคืนเอแต่ว่าน้องแม่เนี่ยเป็นเป็นหมอนะเขาจะฉีดฟอร์มาเลนเข้าไปแต่แม่บอกว่ายาฉีดเอะมันยังอ่อนอยู่เอคิดว่ามันจะคืนอยู่นะเหนียวงั้นหยับยกแขนไปที่ไหนก็เอาแขนไปพาดที่ไหนก็เอายกไปได้มันยังอ่อนอยู่เอมันก็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 แล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตแบบสมมติอานแต่ถ้าว่าเขาจะไปอยู่แบบแบบสบายๆก็ได้ได้ห้องแอร์ก็ได้เพราะลูกทํางานถึงขนาดนั้นแต่ที่เขาไม่เขาแบบรู้เท่ารู้ทันรู้ตัวว่าชีวิตนี่มันก็เท่านั้นนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่สรุปแล้ว ก, ก็คือไม่โลกถึงจะมีมากก็ไม่ไมรู้เท่ารู้ทัน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 เขารู้จักพอรู้จักประมาณตนนี่แหละคือโลกใบนีแหละเราจะเป็นโลกไปเพื่ออะไรจะไปโกรธก็เหมือนกันบางคนก็เห็นใครมาก็โกรธให้เขาโมโหโกธาเพราะเห็นหน้าเท่านั้นนะเออไม่พอใจละ่ะเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาไม่พอใจละ่ะยิ่งเขามาดุดาว่ากาวยิ่งมาพูดให้เรายิ่งไม่พอใจใหญ่ยิ่งเป็นผู้น้อยมาพูดให้ผู้ใหญ่ยิ่งโกรธให้เขาอีก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 เราก็ต้องบอกอืมเราไม่ได้บกพร่องเราก็ดูใจของเราดูความปรดพฤติของเราดูการเป็นอยู่ของเราไม่ใช่ว่าเราจะไปนสถานที่ใดใครเห็นเราเนี่ยเย้มแย ม, แ, ยมแจมใสเออเอาดอกกุหลาบมาให้ทุกคนเออหมาไปเห็นเราไปทุกตัวก็ไม่ต้องเห่าเออกรดีข้างให้ทุกตัวเออไปเห็นมนุษย์หน้าไหน เย้มแยมแจมใสทุกระดับเชิดชูบูชาถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเราก็จะหลงเขาอีกเหมือนกันนะหลงหลงในโลกอีกไม่อยากจะออกจากโลกอีกนั่นแหละอันนี้เราไปเห็นอย่างนั้นขึ้นมาเราก็ต้องโอปันญิกทุกคนจะให้มันได้อย่างใจเราขนาดใจเราก็ยังมีการกระเพื่มอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราจะเขาอยากจะให้เราจะให้เขาดีกับเราอยู่ทุกคนอย่างนั้นใช่หมใจ ถามใจตัวเองนะอยากจะให้เขาดีกับเราทุกคนอย่างนั้นใช่ไหมใจนะมันไม่ร่าจะเป็นอย่างนั้นไปเห็นหมาหมาเห็นเราหรอมันไปรู้ใครมามันก็ต้องเห่าซะ ก, ก่อนเราก็ไม่พอใจกับหมาแหะมันเห่าทำไมนะเดี๋ยวกูจะไปไล่ตีหมาอีกนะเผอๆจะไปหมากัดขากูกูจึงต้องกัดขาหมาอีกนะอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไอ้นี่มันด่ากูมันด่าทำไมกูต้องด่ามันคืนอีกนะอย่างนั้นใช่ไหม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 กับทรัพย์สมบัติกับวัดวาศาสนา อ, อ, อย่างหลวงพ่ออินก็หลงวัดหลงสุสิทธ์ลูกหาว่าไม่ไปไหนรั้ง่านะ้อยู่กับสู่เจ้าเนี่แหละชั่วฟ้าดินสลายยิ่งเขามาพ่อบอกว่าเอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ยรักษาสุขภาพให้ดีๆนะให้อยู่กับลูกลกับหลานนานๆร้อยยี่สิบปีนะเนอะหลวงพ่ออินจะดีใจหัวเราะแฮห่แแห่อแ่าจะอยู่กับชูเจ้าไม่ว่าล่ะ ร้อยี่สิบปีอย่างร้อยไปข้าจะอยู่จักสองร้อยปีจะว่าอย่างนั้นเหรอแสดงว่าหลงหลงตัวเองเอถึงเขาจะว่าอย่างไงก็เขาก็ว่าแต่ว่าชีวิตของเราน่ยคืออะไรเอขอให้ลูกหลวงพ่ออินรักษาสุขภาพเป็นดีเนาะเออข้าก็รักษาสุขภาพดียุวลูกหลานนะ่ยข้าก็หายใจให้ข้าอยู่ เ, ออเวลาข้าหิวน้ําข้าก็กินให้ข้าอยู่เวลาถิ้วอาหารข้าก็กินให้ข้าอยู่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 อยากจะให้คนยืดเชิดชูโบชาทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกอย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละหลงทำยังไงเราจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องโอปนัญญิกูมองดูตนเองไว้อยู่เสมอมองดูตนเองแล้วนะเราไปนัสถานที่ใดอยู่นัดสถานที่ใดไปนัดสถานที่ใดมีแต่ประกอบคุณงามความดี